ศาสนาะหรือคำว่าธรรมะเป็นเครื่องขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกที่พอจะรู้เรื่องขนทุกข์ออกตามอุบายของท่านที่สอนไว้เพราะฉะนั้นศาสนาะตามหลักความจริงแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเป็นภัยต่อโลกแม้นิดหนึ่งมาแต่การไหนๆ น, นอกจากช่วยขนทุกข์ ออกจากใจของสัตว์โลกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นผิดกับเรื่องกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งส่วนมากขนจะทุกข์ให้ติดใจโลกแบบหอบหาบหามจนไปไม่ไหวตมไปด้วยกัน แม้เช่นั้นก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของมันที่เป็นโทษอยู่เต็มหัวใจสิจ่งเหล่านี้ถ้ามันเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโลกเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโกรธเรียกว่าหลงถ้าธรรมดาตามความจำเป็นตามเหตุตามผลที่จําเป็นจะต้องนําสิ่งนี้มาใชา้ท่านก็ไม่เรียกว่าโลก ว่าโกรธว่าหลงนะเพราะสาัตว์โลกอยู่ด้วยความอาศัยไม่มีสิ่งอาศัยอยู่ไม่ได้เราหามาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาท่านก็ไม่เรียกวันโลกไม่เป็นเพราะไม่เป็นสิ่งน่าเกลียดนะแต่ถ้าออกหน้าออกตาจนคนอื่นก็ดูไม่ได้นั่นะท่านเรียกวันโลก ว่าโกรธว่าหลงเนี่ยที่ทำท่านตำหนิท่านตาหนิตรงนี้ที่เรียกว่ากิเลสมันก็เป็นตรงนี้ธรรมดาแล้วไม่เรียกเพราะโลกมีความจำเป็นต้องอาศัยความต้องการด้วยเหตุด้วยผลอายยารักษาคนเราเหมือนไม่ไม่เหมือนสัตว์ต้องมีบ้านหรืนที่อยู่ าบางอย่างก็เหมือนเหมือนบรรดาสัตว์เช่นอาหารสัตว์ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผ้านุ่มผ้าหม่มเครื่องอาศัย ต, ต่างๆมากมายกายกองตามความจำเป็นของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์การสอดแสวงหามาด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงถือเป็นธรรมดาของโลก ท, ทั่วไป แต่ถ้าเลยขอบเขตจนออกหน้าออกตาจนลืมเนื้อลืมตัวลืมมองดูเขาดูเราเห็นว่าตัวเยี่ยมกอบโลกจะทั้งหมดเลยเห็นว่าโลกเป็นเหมือนหมู่สัตว์ไปเกาะแสางหาความสุขเพื่อตัวเองบนความทุกข์ของโลกอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดท่านจึงเรียกว่าความโลก เป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้ความโกรธความหลงไม่ดีก็มไม่ดีด้วยเหตุอย่างที่ว่ามานี้ส่วนธรรมมีแต่เครื่องนำออ ก, ออกเป็นเครื่องนำออกท่านเรียกว่านิยานิกระทร่มเป็นเครื่องนำทุกออกจากสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวย่อมจะมีความทุกย่อมจะมีความกระทบกระเทือน ว่าปฏิบัติผิดตามหลักเหตุผลคืออัรรมระหว่างสามีภรรยาก็มีการกระทบกระเทือนหรือแตกร้าวตลอดถึงอย่างร้างกันไปได้หรือรุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้ถ้าผิดจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าหลักธรรมจึงเป็นเครื่องดําเนินทั้งที่อยู่ในคารวะาทั้งที่ออกเป็นนังบวชแล้วมีเครื่องดําเนินเพื่อให้การคลองขีดหรือความเป็นอยู่นั้น เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลบุคคลเป็นรายรายไปเงื่อนแรกตั้งแต่เป็นเครื่องนําทุกขออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นผู้มุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วภาณ จ, จิตใจออกโดยลําดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง เป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนำออกด้วยความรู้ศึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่นหลังกานสอนพระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อุ่นถอนกิเลสออกจากใจให้พ้นประเสียโดยถ่ายเดียวแล้วการสอนก็เข้มงวดกวดขันทุกด้านไม่ว่าหลักพระวิ น, นัยไม่ว่าหลักธรรม มีความเคลื่อนหมดกวดขันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งตั้งหน่าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ติดอุปสรรคขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเพราะฉะนั้นการสอนธทำให้แก่นักบวชและคารวะนี้จึงมีความผิดกันแน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ท่านยงสอนอนุบุพิกถาคือแสดงทําปโดยลำดับดบตามพื้นเพของจิตใจที่มารับการอบรมศึกษาจากท่านและสอนทาอย่างเด็ดเดียวเข้มงวดกวดขันแก่นัก บ, บวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับทา ป, ประเภทนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้วยึงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระ เราจะเห็นหน้าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่คณะบวชสอนเลยว่าลุกขโมยลลเส้นนาสนังเป็นต้นนะต่างไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอปราสาทานั้นราชมงคลเจียนนั้นตึกนั้นวิหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่จะเป็นที่ทาลายกิเลสลงได้สถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมสำหรับพระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้อง ทรงสอนลงที่ลุกขมูลลูกไมยซึ่งเป็นที่เปลี่ยวไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ยึดที่เหนียวไม่มีที่จะให้ความประมาทเข้าไปแทรกสินอยู่ในที่นั้นได้เลยกลางคืนก็ตั้งอกตั้งใจกลางวันก็มีสติอยู่ด้วยความระมัดระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมอในระบบท่างๆเถอไม่ได้นี่ยนี่แหละเป็นสถานที่ตั้งสติตั้งความเพียรท่านจึงสอนอย่างนั้น ออกอ่นั้นก็ตามชายป่าชายเขาตามถ้าตามอะไรทัานก็นว่าไปซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่นี่หมายถึงสถานที่สําหรับผู้เช่นนั้นสําหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นจะพึ่ิให้สมความมุ่งมา่ปาฏิหาริย์ของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวาง นิเรคือความประมาทนอนใจความขี้เกียจที่ครั้นก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลูกสติปัญญาตัฐาความเพียรอยู่ตลอดเวลานีิเรศก็มีทางที่จะหมอบลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกําเริบโดยถ่ายเดียวเพราะนิเรศก็ไม่ตั้งท่าจะกำเริบโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปรับรำเหมือนกับโรคก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากําเริบให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องรักษามันเท่าหรือหายไปได้นี่ อ, อ, อย่างนั้นกับปินิยาโลปรโภชนังนิส่านประพระชาอีกเลยมันมาชาวสมุทรแล้วอาศัยให้อาศัยกําลังกปีแข้งของตนคือเที่ยวบินสมาัติเขาทขานเขามากินอย่างนี้เป็นประจำเป็ตนตลอดชีวิตให้เธอทั้งหลายจงทําความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนเสเรกลาศที่เหลือเฟือทั้งขว่าป้ายเข็นนิมมันตนงังสลากภัตตังอุดเดสะภัตตังนี้เป็นตน้นตั้งหลักกับพาดเขาอิมวณประฉนที่หนอนที่นี่ เป็นของพิเศษเหลือเฟือนะท่านบอกว่าของเนื้อเฟือของพิเศษไม่ใช่เป็นของกฎเจียนที่เหมาะสมกับผู้ที่จะแก้ที่เลืทปัญหาโดยแท้เดียวคืออาหารที่บินทบบาทได้มามากน้อยไม่ต้องสนใจกังวลกับอะไรทั้งนั้นได้มาเท่าไหร่ก็ฉันเท่าที่ได้มาพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วได้บําเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยนี่สําคัญในสองข้อนี้ ออกอย่งนั้นก่อยหยุกยาก็ฉันจะดอง ด, ด้วยน้ำมูดแต่ก่อนหยุกยาไม่เจริญเนี่พอยังชีพ่อไปแล้วการดูของพระผู้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนนำไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไร ถ้ามาไม่ปฏิบัติด้วยความเทิดทูนไม่ปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตธรรมยิงๆแล้วท่านจะไม่ไปอยู่ในสถานที่เช่นนันท่านไปด้วยความพอใจท่านไปด้วยความสนใจท่านจึงปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจไม่เย่อยายกับความทุกข์ความลำบากความขัดขัดข้องขาดเขินหรือขาดแคลนอะไรมีจิตใจกับธรรมที่มีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดสายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจซึ่งจะเคยมืดดำมาเพียงไรก็ตาม หากได้ถูกขัดเกลารอยู่โดยสม่ำเสมอเชนนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสวัยขึ้นมาพราะได้รับการบำรุงกิเลสที่เคยกำเริบเถิอกชานมาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ยังไม่มีสติเสตังที่จะหาอุบายแก้ไขเพราะนั้นแก่ก็ค่อยสงบเรืสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดบับสติปัญญาก็มีทางแก่กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกลารจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมูลทินคือกิเลสทั้งหลายครอบคลุมอยู่ ไห้ค่อยหายไปจางไปจางไปใจที่ไม่เคยสงบมาตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนี้เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมใจจะสงบได้ยังไงไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาใจสงบได้ยังไงปกติจะให้ใจสงบเอาเลยโดยไม่มีเหตุมีผลนี่เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นจะทํากิจใจให้สงบไม่ได้เรื่องกิเลสต้องเป็นเรื่องทํากิจใจให้ฟุ้งแล้วก่อทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นภายในจิตใจตลอดมามหาความสงบไม่ได้ด้วยอํานาจของกิเลส เมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเย็นใจมาจากไหนแต่เมื่อได้รับพระวาาจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุ้งเฟอเ้อเหือมมาเป็นเวลานานก็ว่าเห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งนี่เมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดควมอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไหน นอกจากจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท่านท่านมีความตื่นเต้นภายจในจิตใจมีความดูดดื่มมีความอัศจรรย์มีความขายันหมั่นเพียรมีศรัทธาความเชื่อความนิมิสในหลักศาสนธรรมเข้าโดยลําดับเรื่องความเปลียนก็เป็นมาเองเป็นพลังของการหลังการไปโดยลําดับหนุนกันไปเื่อยๆนี่ทีนี้เรื่องความทุกข์อนุภากซึ่งเคยกลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดไปหมดไปหมดไป เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นับเป็นหนามหรือเป็นอุปสรรคความกิดขวางทางเดินมันก็ค่อยหายไปหายไปจางไปจางไปก็ ม, มีแต่เข็มทิศทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำโดยถ่ยเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในกิดใจความสงบไม่เคยมีก็มีขึ้นมานความสงบเป็นชั้นชั้นไม่เคยมีก็มีขึ้นมาเป็นขึ้นมา ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันก็มีขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้เฉพาะภายในจิตใจของตนเห็นเฉพาะหน้ารู้เฉพาะหน้าปรากฏอยู่กับตัวเองทำไมคนเราเมื่อหาความดีหาความจริงหาของประเสริฐหาความสุขความเจริญอยู่แล้วเมื่อปรากฏธรรมชาติที่พึงพึงหวังชนนี้จะไม่มีความตื่นเต้นจะไม่มีความพอใจจะเป็นไปได้หรือต้องพอใจด้วยกัน ความพอใจความได้เห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์เป็นสักขีพยานอยู่ภายใจิตใจนี่แหละเป็นช่วงสําคัญที่จะให้ศรัทธาอย่างทราบหรืออย่างลงอย่างลึกที่เรียกว่าอัจฉระความไม่หวั่นไหวความเพียรก็มาเองความอดความทนอะไรๆมาเองชื่อว่าสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อสนับสนุนความเพียรให้แก่กล้าสามารถแล้วมาด้วยตามๆกันมานพระหา้าคืออะไรนี่มาด้วยกัน ปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็เพราะเรื่องปัญญาทางโลกภาสีไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภารรยในจิตใจเพราะอำนาจแห่งปัญญานี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่ลกลุมรังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจเมื่อปัญญา แด้ปรากฏขึ้นมากน้อย่วงกิเลสค่อยหลุดลอยไปด้วยอํานาจของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัด น, นี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกําลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขายันหมั่นเพียรต่อการพิจตตพิจารณาต่อการค้นคว้าต่อการลือถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้ค่อยหมดสิ้นไปโดยลํำดับลำดั บ, บที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อันเป็นส่วนผลนั้นด้วนแล้วต้องเกิเป็นสิ่งที่อัจฉรย์ให้บรรดาท่านปร้นปฏิบัติทั้งหลายได้มีความกระยิบต่ออัดต่อทำคือแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับสิ่งที่เคยผ่านมามีความยากความลาบากแค่ไหนและสิ่งที่เคยคาดไว้กลัวจะลําบากลาบนเพียงไรในอนาคตการมันก็หมดความหมายไปในทันทีทันใดและหมดไปโดยลําดับลําดับเมื่อทําดังที่ กราวมานี้ได้ปรากฏขึ้นโดยลำดับมีกําลังขึ้นภายในจิตใจซึ่งเป็นพลังภายในตัวพอที่จะฝ่าฝืนบึกบืนอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยลาดับไม่มีความท้อถอยภายในจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเกิดมากับความตายความตายกับความเป็นมันอยู่ด้วยกันคนเป็นกับคนตายมันอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออก เราจะหลบหลีกปลีกตัวหนีไปไหนเราจะกลัวให้เสียผลเสียประโยชน์เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจตนไปเพื่ออะไรน่นก็เมื่อสิ่งที่กลามาเหล่านี้มันอยู่กับตัวของเราเราจะกลัวไปไหนให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ปกติรู้ตามเรื่องความจริงของมันเราจะไม่เป็นสุขดีหรือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามคติธรรมดานี้แล้วท่านเป็นสุข ไม่มีอะไรมากระทบกระทือน ย, ยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจให้กระเพื่อมผุนมัวเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาและท่านสอนไวน้หนีให้เห็นตามความจริงในความเกิดกับความตายซึ่งอยู่ในตัวของเราคนเดียววันนี้ด้วยปัญญาเราจะไม่ได้รับความสุขดังที่ว่านั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเรานอกจากความจริงกับความสุข ไม่มีความกระเพื้อมไม่มีความตก อ, อกตกใจไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่ผลที่จะพึงได้รับจากปัญญาปัญญาใช้พ้นคว้าในข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเหล่านี้แหละเป็นหลักใหญ่ที่สุดเพราะข้าศึกอันแท้จริงแล้วไม่มีอยู่ในที่อื่นใดไม่มีอยู่ในน้ําในดินในลมในไฟ นอกไปจากร่างกายของเราไม่ในอยู่ในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสัตว์หรือบุคคลผู้ใดตัวใดหลักใหญ่จริงๆอยู่กับหัวใจของเราข้าสึกอยู่ที่ตรงนี้ความมืดมลอนตะการอยู่ที่ตรงนี้ที่ทําให้เราโดนขวากโดนน้ำไม่หยุดไม่ถอยให้รนะับความทุกข์ความร้อนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโงงเขาบาปัญญาด้วยอํานาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจหรือดวดงปัญญาของเหล่านี้ไว้เท่านั้นเราจรึงได้โดนทุกขเ์เสมอ เจอเอกับความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดมาเมื่อสติปัญญาของเรามีความสามารถเบิกหรือเปิดเผยสิ่งทั้งนี้หรือสิ่งมืดมิดปิดตานี้ออกได้โดยดับดับดับนกระทั่งเห็นแจ้งชัดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเราซึ่งเราเคยกลัวมาตั้งแต่ก่อนมีความตายเป็นต้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอยู่ด้วยกันได้คนตายกัคนเป็นอยู่ด้วยกันได้ความทุกข์กับเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมานาน ตั้งแต่วันเกิดก็เป็นเอาทุกข์เป็นเรือนนอนมาแล้วเอาทุกข์เป็นเครื่องทรมานดัชนีมาตลอดแต่เรายังไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์มีแต่กลัวทุกข์อยู่เรื่อยๆกลัวหาทางออกไม่ได้โดยไม่หาทางกลัวไม่หาทางออกก็มีเยอะนี่ท่นี้ปัญญาที่เราพิจารณาทางด้านอรธรรมนี้เป็นปัญญาที่หาทางออกจากทุกข์เป็นปัญญาที่จะรู้เท่าเรื่องของทุกข์ตามความจริงของมันเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าธาตุขันธ์ที่มีอยู่ภายในตัวของเรา เป็นปัญญาที่จะสามารถรู้เท่าทันกับความตายที่มันมีอยู่กับตัวของเราเวลานี้ไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นแล้วเป็นปัญญาที่จะสามารถทราบทั้งความคาดความหมายความด้นความดาวความสำคัญนั่นหมายต่างๆงที่จะหลอกเราว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นร่างกายจะเป็นอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ปัญญาสามารถแก้ออกได้หมดไม่มีทางไม่มีกิเลสตัวใดจะมาปิดบัง่เรื่องธาตุเรื่องขันก็เป็นเรื่องธาตุเรื่องขัน เรื่องเกิดเรื่องตายก็เป็นเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสติปัญญาที่จะถอดถอดนึกที่จะรู้เท่านี้ก็ผิดตัวขึ้นมาโดยลําดับลําดับสุดท้ายก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยตายก็ตายไปเราทราบแล้วคายคือญาณได้อย่างทราบหมดแล้วในเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่วันเกิดเราได้ทราบชัดแล้วในวันนี้ในบัด น, นี้คือมีอยู่ในขันนี่เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดการทราบเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็ทราบ ด้วยปัญญาของเราที่มีอยู่ในจิตด้วยกันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทราบชัดเช่นนี้แล้วอยู่ไหนมันก็อยู่ได้เป็ น, นปลายปลายตาก็ตายเ อ, อเป็นก็เป็นความเป็นอยู่ความตายไปมันอยู่กับเราคนเดียวกลัวไปที่ไหนนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาก็เป็นป้อมอันหนึ่งหรือเป็นเกาะกำบังอันหนึ่งให้เราได้อยู่ความ ด้วยความผาสุกในถ้ำกลางแห่งความแตกความสลายความตายที่มีอยู่ในธาตุในขันนี้ซึ่งทุกชิ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราไม่ใช่ชิ้น น, นั้นๆพอที่จะสลายตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นนามนธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาขัดเราสิ่งที่แทรกสิ่งที่ภายในจิตใจให้เกิดความสําคัญต่างๆอันจะเกิดพิเรนหรือเกิดความทุก่มขึ้นมาได้แกไขหรือถอดถอนออกโดยลำนับ แล้วความรู้ก็เป็นความรู้ที่ล้วนล้วนที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะล่มจมไปไหนสิ่งที่ล่มจมทั้งหลายที่เราสาคัญนั้นเขาก็ไม่ล่มจมไปเป็นความคาดต่างหากธาตุเป็นธาตุคือดินเป็นดินน้าเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแม้อยู่ในร่างกายนี้เขาก็เป็นธาตุอย่างนั้นอยู่แล้วสลายลงไปเขาก็เป็นธาตุของเขาอย่างนั้นเป็นไปในธาตุเดิมของเขาเนี่ย อันไหนที่ร่มจมอันไหนที่คลิปหายไม่มีอะไรคลิปหายไม่มีอะไรร่มจมเป็นเพียงว่าความเปลี่ยนสภาพจากส่วนผสมที่เราว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุเดิมของเขาเท่านั้นปัญญาได้อย่างทราบชัดเช่นี้แล้วจิตใจของเราก็เป็นเราคือเป็นใจของเราเป็นความรู้ของเราโดยเฉพาะไม่ไปอาศัยสิ่งนั้นมาเป็นเราเป็นของเราไม่พึ่งพิงกับสิ่งใดเพราะเราพอตัวของเราด้วยปัญญาสำนักภาษาให้ถึงความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแล้ว นี่เรเรียกว่าเป็นตัวของเราโดยสมบูรณ์เมื่อเราก็เป็นเราโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ต่างอันต่างสมบูรณ์แล้วไม่มาแย่งมาชิงดีชิงเด่นชิงสุขชิงทุกข์ของกันและกันต่างอันก็ต่างอยู่ตามขอบเขตในหลักธรรมชาติของตนนั่นและท่านเรียกว่าโลกที่มีสุ ข, ขโตคือมีอยู่ภายในขันของเรา ขันก็เป็นขันใจก็เป็นใจคือมีอยู่ภายในขันภายในใจของเราต่างอันต่างยิงต่างอันต่างเป็นสุขอยู่โดยลาพังธรรมชาติตนที่มีความรับรู้คือใจถ้าขันเป็นอะไรก็เป็นไปจิตใจข้งเราที่มีสติปัญญารอบตัวก็เป็นจิตที่เด่นดวงเป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยพึ่ พ, งพิงกับสิ่งใดเป็นอัตโนนาโถ เป็นที่พึ่งตนได้นี่แหละการสร้างที่พึ่งสร้างลงที่จงนี้เห็นตามความจริงที่จงนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านทรงสั่งสอนโดยวิธีนี้เพื่อเป็นทางเรื่นลัดตัดตรงแนวไปสู่ความพ้นทุกข์โดยถ่ยเดียว ไม่ต้องมาวกมาเวียนให้เสียเวลาเวลาเป็นสอนลูกคามุสลิมนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นกิเลสมันมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแลเป็นสถานที่ปราบปรามกิเลสทั้งหลายได้ความขัดข้องขาดเขินความอดอดอยากซึ่งโลกทั้งหลายไม่ต้องการกิเลสไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ทำต้องการเป็นสถานที่ทำจเจริญ เจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกได้ในที่เช่นนั้นการสอนธรรมแก่ผู้เด็ดดเี่ยวอาหารที่จะมุ่งความพ้นทุกโดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เชนั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความบุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเวลามาเกิดมาตายไม้เอาป่าช้าที่นั่นที่นี่อยู่ไม่หยุดม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนว่า จับจองปัดช้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกถ้าควรจะยกให้พ้นทุกข์ไปโดยทีเดียวก็สอนตรงแน่วไปอย่างนั้นถ้าผู้ยังไม่สามารถผู้ยังไม่เข้าใจก็เหมือนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นความดีเช่นเดียวกัน คือเป็นความดีที่จะสนับสนุนบำรุงส่งเสริมจิตใจให้เลื่อนฐานะขึ้นไปได้โดยลๆๆําดับๆแม้สอนบุคคลคนเดียวกันเบื้องต้นก็สอนมาตั้งแต่พื้นพื้นแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเราสอนเด็กชั้นมูลชั้นปฐมแล้วก็มัธยมปริญญาเลื่อยไปเลยเนี่ยในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละแต่สอนต่างวรรคกันตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขั้นนั้นๆครูอาจารย์ก็สอนเลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลๆๆําดับๆจนกระทั่ง สุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหลสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเชนน่นอุปปิกถานห้าอย่างนี้ทานศีลเนี่ครับสวรรค์นเนีย่ยเขัมาเลืยเรื่อย ๆ, ๆในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจําพวกก็ได้นี่แล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงอาทิหนวการานแล้วยก ให้พ้นไปเลยแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องหรือถอนเป็นเครื่องหยิบยกความทุกข์ความทรมานใจของสัตว์โลกให้ออกได้โดยลําดับลาดับไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติโดยมีอัตธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะมีความสุขความเย็งใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเป็นสุขลูกของตนก็ ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านำทุกข์ออกจากครอบตัวนั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งถึงนําทุกออกจากผู้บําเพ็ญทั้งหลายอย่างเราๆท่านๆตามความสามารถของตนที่จะหยิบหยิบยกทุกออกได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามดิบเหล่งขวัญขวายทําเสียตั้งแต่บัดนี้คําว่าไปสู่โลกหน้า เราอยากเข้าใจว่าโลกหน้านั้นจะเป็นโลกสถานที่บำเพ็ญธรรมให้ยิ่งกว่า น, นี้ขึ้นไปไม่แน่นอนยิ่งกว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่ในเวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าขันปัจจุบันคือคือเราที่สภาพอยู่เวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าคนปัจจุบันคือตัวเราวันนี้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ทุกขั้นทุกภูมิเต็มอัตราหรือเต็มริกาลังความสามารถของตนเมื่อไปสู่โลกหน้า นั้นมันไม่แน่เราจรึงไม่ควรคาดการณหมายเพราะคําว่าทุกนี้มันประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถ า, านที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรจะพิจารณาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยูน่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วลื้อถอนกันออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นใครเป็นเราต่างอันต่างจริงนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและทราบได้อย่างชัดเจน ในหลักธรรมท่านว่าสันติทิโกรู้รเองเห็นเองปัจจับบงเวทิตาโบวินยูหยิผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำข้อตนเพราะสิ่งที่จะให้ควรรู้ควรเห็นมันมีอยู่กับเรานีโ้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสติปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์จึงเห็นเป็นรุ่มรุม่นดอนดอนไม่แจ่มแจ้งตามความจริงที่มีอยู่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจริงทั้งหลายนี้จะปราประกาศกังวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสาม เพราะปัญญาเป็นเพื่องประกาศรู้ตัวภายในของจิตเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านถึงสอนว่าอัจเชวะกิจจะมาตับปังควรทำความภาคเพี้ยนเป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามารนังสุเวใครจะทราบ ว, ว่าความตายจะมีมาในเวลาใด นัฮิโนส่สร้างนาันเตน ม, มาหาเสน่หมัตินาเรื่องความตานี้ีเป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะขัดข้านต้านทานได้น่ะท่านว่าอะไรอย่างนั้นเป็นความจริงลน้วนๆใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตาได้นในโลกนี้ไม่มีป่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากายว่าหญิงม่าชาแล้วเป็นกองป่าช้าทั้งนั้นออไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองปา่าช้าไม่มีความอำนาจที่จะ ที่จะไม่ตายได้นี่เพราะฉะนั้นความเพียนใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะ น, นี้เรานี้เรื่มขลัขวาเชท้าธนับัตรนี้สร้างเสียให้พอกุศลธรรมมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี้มีความเฉลียวฉลาดทันกบับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของใจเมื่อทันนี้แล้วกุศลธรรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอกุศลาพอตัวแล้ว ดื่มทำก็พอพอใจอยู่เป็นสุขอยู่นั้นก็สุขยิ้มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้นเนยหมดความหิวโหยท่านว่านิจฉาโตไปนิบุโตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปริญญาผานเนี้ยคือหมายก็ว่าดับรอบหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนิจฉาโตปริญญบุโตความหิวโหอยอะไรทั้งหมด ซึ่งเกิดเพระาะอำนาจของกิเลสมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนิจฉาโตเป็นนิบูโตดับไปหมดขึ้นชื่อว่าความหิวเมื่อความหิวความก็หายซึ่งเป็นสิ่งวับควรทั้งส่วนร่างกาทั้งส่วนจิตใจมันดับไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือทาง จ, จิตใจดับไปแล้วความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ถ้าภาณจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์ นี่หมายถึงว่าไม่มีโลกไหนจะมาทำปิติของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหายสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายจิตใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลงที่นี่นี่แหละทำที่ว่าเป็นเครื่องแก้ทุกข์ให้สัตว์รุดถอดถอนจทุกข์ให้สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอนที่จิตใจนี้ ให้หมดโดยสิ้นเชิงก็ได้ด้วยอํานาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอํานาจใดที่จะเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษสามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจสัตว์โลกได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับธรรมของพระพุทธเจา้าฉะนั้นขอให้มีความตั้หนักใจว่าธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องที่จะถอดถอนกิเลสกองทุตลาไหลออกจากเราได้ตั้งแต่ส่วนย่อจนถึงส่วนใหญ่จนถึงถึงส่วนละเอียดสุดคือภนายจิตใจที่เรียกว่าอาวิชชา ร่้เนี้ยจะทำทั้งนั้นเป็นเครื่องหือถอนหือถอนมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่คารวาสเย่าเรือนมาถึงนักบวชนะักปฏิบัติกำจัดมาโดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงการดับสนิทฉิชาโตไปนี้บุโตอย่างที่กล่าวมาจึงขอวิติตรทำเปลี่ยงเท่านี้